วนนี้มีคอร์สดีสอนเก่งหลวพ่ามีผู้ช่วยสอนหลายประเภทนะบางคนเขาแจกแจงสภาวะเก่งมีปัญญาเยอะแต่ละคนก็มีดีของตัวเอง นี่พวกเราก็ดูตัวเองบางคนชอบปฏิบัติใช้สมาธินำแล้วฝึกกับคนที่ฝึกด้านสมาธิมาบางคนใช้ปัญญานำใช้ฝึกกับคนที่เขาเดินปัญญาเยอะถ้าฝึกกับหลวงพ่อเนี่ยต้องเป็นประเภท เข้มแข็งช่วยตัวเองจะทำตัวเป็นเด็กอ่อนปาะแปะขี้อ่อนหลวงพ่อไม่นิยมหลวงพ่อเนี่ยฝึกเรียนกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยไม่สอนเยอะสอนให้ประโยคสองประโยคเราต้องลงมือทำเอาเอง ตรวจสอบไประยะระยะไปที่ทำอยู่ถูกไม่ถูกจุดสำคัญนะต้องอดทนเวลาเราสะสมกิเลสเนี่ยสะสมนับพบนับชาติไม่ท่วนเหมือนเรามีผ้าขาวอยู่ผืนนึงเร า, าเอาไปคลุกสิ่งโสโครกตลอดเวลาเวลายังมาซัก กักแป๊บเดียวอยสะอาดทำไม่ได้เวลาสะสมกิเลสสะสมตั้งนานเวลาจะเจริญสติเจริญปัญญาซักฟอกใจของเราทำแป๊บๆ แ, แล้วส่วนใหญ่ก็คือทำความสะอาดไปแล้วก็ทำสกรปรกไปพร้อมๆกันเดี๋ยวก็ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลส ถึงเวลาก็มาภาวนาสกุปลภทำก็ทำนะไม่เลิกความสะอาดก็พยายามจะทำมันไม่มีวันจบวันสิ้นงันพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเราเนี่ยนะครอบคลุมบอกให้ละบาปอาคุลทั้งปวงอย่าทำาทำกุลให้ถึงพร้อมคือศีลสมาธิปัญญา มีศีลอย่างเดียวไม่พอมีสมาธิอย่างเดียวไม่พอมีปัญญาอย่างเดียวก็ไม่พอถ้ามีปัญญาแล้วไม่มีศีนกำกับจะเป็นปัญญามหาโจรไม่มีสมาธิกำกับตอนไปเดินปัญญามันจะฟุ้งซ่านศีนสมาธิปัญญามันเหมือนเศร้าสามก้อนก้อนหินสามก้อนที่คนโบราณ ก็ยห้หุงข้าววางสามอันเอาออกอันเดียวก็ล้มหมดแล้วมอกข้าวแตกนี่ต้องมีครบศีลสมาธิปัญญาแล้วท่านก็ไม่ได้สอนว่าให้ทำความดีให้ถึงพร้อมอย่างเดียวท่านเริ่มต้นไม่ทำบาปอากุศลทั้งปวงชั่วต้องละดีต้องเจริญฝึกไปเรื่อยจิตเนี่องแผ้วไปเรื่อย ไม่งั้นมันทําไม่ได้จริงหรอกกระทั่งภาวนาดีนะดีไประดับหนึ่งนะดูกิเลสไม่ออกเวลาเราภาวนาไปเนะี่ยกิเลสมันยิ่งละเอียดขึ้นเรื่อยๆสติปัญญาของเราละเอียดแค่ไหนนะกิเลสละเอียดกว่าทุกทีแล้วนะมันพัฒนาตัวเองพอกิเลสละเอียดนะั้นดูไม่ออกแล้วนะ เห็นแต่กิเลสคนอื่นกิเลสตัวเองไม่เห็นพวกภาวานาดีๆนะกิเลสพวกมาน า, าตาพวกกูแน่กูหนึ่งกูถูกอะไรเงี้ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันแสดงออกมาเต็มที่เนี่ยกระทั่งพวกผู้ช่วยสอนก็ต้องหัดดูนะเรื่องมาน า, าตาเรื่องอะไรกิเลสหยาบหยาบสู้ได้กิเลสละเอียด มองไม่เห็นส่วนพวกเรากิเลสหยาบหยาบอย่าพี่ยอมแพ้มันอย่าพี่ยอมแพ้เราสู้ของฟรีไม่มีต้องต่อสู้เอาทั้งสิน้นไปดูประวัติครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์กว่าที่ท่านจะได้ดีขึ้นนท่านลำบาก ท่านต่อสู้มาแสนสาหัสนะครูบาอาจารย์องค์ที่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าเราลงไปดูเรื่องราวของท่านสร้างบารมีนะแสนสาหัสเลยองค์ อ, อื่นก็แสนสาหัสนะไม่ไม่ใช่ง่ายหรอกในการจะข้าวัตตะอย่างกระทั่งพระนนท พระนนสมัยนานนักหนานแล้วท่านได้สร้างคุณงามความดีถวายอาหารกับพระปัจเจกหรืออะไรเงี้ยแล้วอธิษฐานเลยเกิดมาขอให้รูปหลอ่อจะขอหล่อตลอดชาติถัดถัดมาพระรูปหล่อแล้วก็เป็นชูก้กับเมียชาวบ้าน ท่านบอกว่าท่านตกนรกอยู่นานมากเลยขึ้นจากนรกมาก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นเดรัจฉานรูปหล่ออย่างเป็นวัวหล่อบัวตัวเมียคอยตามวุ่นวายเจ้าของจับท่านตอนท่านเป็นสัตว์ถูกตอนอยู่หลายร้อยชาติเมื่อเกิดเป็นคน เป็นควนซึ่งความรู้สึกแปลปลว้นะเป็นกระเทยเป็นอะไรเงี้ยเป็นอยู่นานเลยกว่าวิบากกรรมชั่วแป๊บเดียวนะั้นจะหมดไปใช้เวลานานเพราอน้นท่านเวียนอยู่ในนรกเวียนอยู่ในเดรัจฉานอะไรเงี้ยก็นานบุญบารมีก็สร้างความชั่วไม่ได้ละ คนยืดยาววัตตนนียืดยาวกว่าจะเป็นคนสมบูรณ์บุญให้ผลเป็นพระอรหันต์องค์อื่นๆไปดูประวัติเนะท่านก็ตู่เดือดแทบทั้งนั้นมาในรุ่นเราเนี่ยครูบาอาจารย์ภาวนาแต่และองค์ก็ไม่ใช่ง่ายหลวงปู่มั่นเดินทุดงอยู่ป่าอยู่เขาลูกศิษย์ของท่าน เที่ยวตามหาหลวงปู่มั่นนะหลงป่าอะไรตอนอะไรอดข้าวอะไรยเงี้ยเป็นเรื่องปกติเลยทุกข์มากจนหลวงปู่เทศนะตอนท่านแก่ๆเนี่ยท่านก็เขียนไว้บอกท่านไม่เกิดอีกแล้วละ่ะเพราะท่านเห็นทุกข์แสนสาหัสแล้วนะของการเกิดเนี่ยท่านเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งท่านบอกท่านไม่เกิดอีกแล้ว ท่านพอลีอาจารย์อีกองหนึ่งของหลวงพ่อท่านเป็นคนที่ภาวนาแบบดูเดือดไปเพสอดข้าวทิงนานๆพอท่านภาวนาชนสบายแล้วยังไม่ไม่จบท่านก็เป็นโรคกระเาพาะทุกทรมานมากเป็นโรคกระเาพาะ สมัยโบราณผ่าเผื่ออะไรก็คงไม่มีอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังนะองค์อื่นท่านมาเล่าท่านพอดีไม่สบายมากนอนนอนอยู่เสร็จแล้วท่านก็นึกว่าพวกพรมถ้าภาวนาดีๆอย่างนี้ตายไปจะไปอยู่สุทาวาส ่ท่านก็อยากดูว่าพรหมสุทธาวาสเขาเป็นยังไงท่านก็กำหนดจิตนะออกไปดูพอดูเสร็จแล้วตอนจะกลับลงมาท่านเห็นร่างกายที่นอนอยู่นี่มันดูไม่ได้เลยมันมีแต่กองทุกข์แสนสาหัสนะท่านเลยทิ้งไปเลยไม่เอาแนละ้วทิ้ง เนี่ยกว่าจะพ้นทุกไปแต่ละองค์แต่ละองค์นะเห็นต้องต่อสู้มานะประเภทอยู่ๆดีๆก็ปิ๊งขึ้นมาให้นั่นมันนิยายนะแล้วธรรมะเนี่ยไม่ต้องเรียนมากแต่ปฏิบัติให้มากหลวงพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์ไม่กี่คำเท่านั้นเองเจอหลวงปู่ดุลท่านบอกว่า อ่านหนังสือไปมากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองประโยคแค่นี้แหละเรามาภาวนาท่านให้อ่านจิตตนเองนะเราก็คอยอ่านไปเรื่อยเมื่อนอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเดี๋ยวจิตกาแสดงบทรักเดี๋ยวก็บทโกรธนะเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นั่งตามอ่านตามรู้มันไปอย่างที่มันเป็น สุดท้ายมันก็จะเห็นจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยว่าทำงานได้เองเวลามันจะสุขมันจะทุกข์มันจะดีมันจะชั่วเราสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้จิตนี่นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราค่อยภาวนาไปเรื่อยนะเห็นจิตไม่ใช่เราแล้วต่อไปก็ภาวนาต่อ ถึงวันหนึ่งก็เห็นความจริงจิตไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข์พอรู้ทุกข์มันก็เรารู้ทุกข์กรรกอันไหนแจมแจ้งนะั้นก็วางอันนั้นแหละถ้ารู้ว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์จิตมันก็วางกายรู้จิตเป็นตัวทุกข์จิตก็ปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตแล้วนะก็ไม่เหมือน ที่เคยภาวนามามค่อยภาวนาเป็นลำดับลำดับไปภาวนาอย่าไปยุ่งกับคนอื่นอ่านจิตตนเองให้มากยุ่งกับคนอื่นให้น้อยที่สุดเขาจะชั่วเขาจะดีเรื่องของเขาไม่ต้องเอากิเลสคนอื่นมาเป็นภาระของเรา คอยเฝ้ารู้จิตใจตัวเองไปสิ่งที่ยังต้องเรียนต้องรู้ยังมีอยังหยุดไม่ได้ใส่ใจเรียนรู้จิตใจตนเองไปรู้จิตใจคนอื่นไม่ใช่เรื่องยากหรอกง่ายหมามันยังรู้เลยอย่างหมานะหมาจรจัดมันเดินอยู่ข้างถนนหาอะไรกิน หิวโซมันเจอคนบางคนมันวิ่งเข้าไปหามันเจอบางคนนะเห็นอยู่แต่ไกลมันวิ่งหนีแล้วมันไม่ได้มีเจโตปริยญาณออกว่าไอ้คนนี้จะเตะมันหรือไม่ได้มีอนาขตังสยานไม่จะถูกถีบอ่างเงี้ยนะถูกก้อนหินสัญชาตยานของมันรู้มนุษย์แต่ละคนใจไม่เหมือนกัน หลวงพ่อนะตอนนั้นบวชใหม่ๆอยู่ที่สวนโพมีงูเห่านะที่นั้นมีงูเห่างูเห่าบ้านของงูเห่าอยู่ใต้ถุนคุติคุณแม่เนี่ยเรานั่งภาวนาอยู่ใต้ต้นไม้อะไรมันก็มามันมาอยู่รอบๆตัวเราเนี้ยด้วยความไว้วางใจ เที่ยวมุดก้อนอิดก้อนหินนะค่อยมดุดค่อยพลิกค่อยอะไรใกล้ๆอย่างเงี้ยเราก็ดูมันโอ้สวยนะเกดงูเห่าเนี่เวลาถูกแสงแดดนะสวยมากเลยยังก็บสีรุ้งเลยพวกเราเคยเห็นไหมงูเหา่าแสนสวยนะสวยมากเห็นแล้วอยากไปรูปเล่นนะแต่ว่าไม่เอา ยังไม่อยากตายเร็วเนื่องงูทำไมมันกล้าเข้ามาใกล้ๆมันรู้ว่าเราไม่ได้ทําร้ายมันยังได้รู้จิตคนอื่นไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์นะรู้จิตตนเองนะอัศจรรย์ที่สุดนะมีความชั่วเท่าไหร่ ร, รู้เท่าทันมันไปคนภาวนาดีเนะี่ย จะรู้ว่ากิเลสของเราเหลือเยอะคนภาวนาไม่ดีจะรู้สึกว่าเราน่ยดีเป็นสำรวจเลยะเวลาเราภาวนาอย่างหลวงพ่อภาวนามานะี่ยเรารู้สึกเรามีของไม่ดีเยอะเลยเกินมีสิ่งต้องเรียนต้องรู้ต้องละอีกเยอะแยะเวลาภาวนาเห็นคนอื่นไม่ได้ดูว่าเขาแย่ ก, กว่าเรานะ เ็นคนอื่นก็เขาดีนะทำไงเราจะดีอย่างเขาบ้างไม่รู้สึกว่าตัวเองเก่งหลวงพ่อไม่เคยรู้สึกจริงๆเลยว่าตัวเองเก่งรู้อย่างเดียวว่าอดทนอดทนที่จะเรียนรู้ความไม่ดีของตัวเองเห็นคนอื่นเราก็เห็นตัวอย่างเขาบางคนเขาขยันภาวานานะ มีตัวอย่างที่ดีส่วนเขาเจ้าชู้คนเดียวกันแหละเราก็จะไปดูเขาเอาที่ดีๆท่านพุทธทาสบอกเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่มมีประโยชน์ถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งยังห่วงแต่คนอื่นนะคอยวิจารคนอื่นคอยวิพาก ค, คนอื่นไม่ได้กินหรอกพูดออกมาคำเดียวมันก็สะท้อนกิเลสตัวเองออกมาแนละ้ว กูเหนือว่าคนอื่นพวกพระหลวงพ่อเนี่ยลองไปถามดหมิหลวงพ่อสอนพระนั้นคนไหนกิเลสแรงเนี่ยน้ำตาร่วงเลยนะน้ำตาตกเลยคล้ายๆจับมาฉีกขยี้เลยไม่ปล่อยไว้หรอก แต่กระโยมหลวงพ่อไม่ได้ทำหรอกแต่กับพระลูกศิษย์ข้างในเนี่ยทําพระข้างนอกหลวงพ่อก็ไม่ยุ่งด้วยไม่ใช่ลูกศิษย์เราเขามีครูบาอาจารย์มีอุปชาอาจารย์พวนี้มาอยู่ในสังกัดขอนิสัยการเข้าสังกัดครูบาอาจารย์เนี่ยขอนิสัยขอนิสัยก็คือขออยู่ในปกครอง แล้วก็ปฏิญาณตัวด้วยให้พระคุณเจ้าเป็นอาจารย์ของกผมผมจะเป็นลูกศิษย์ท่านธุละอะไรของท่านผมจะรับธุระของผมท่านก็รับด้วยนะเวลาขอนิสัยกจะบอกกันอย่างนี้ขอนีิสัยแล้วหลวงพ่อไม่ไว้หน้าแล้วจะแน่มาจากไหน นี่ถ้ายังมองไม่เห็นกิเลสตัวเองก็งฉีกให้ดูแบบบทขยี่ไม่เอาไว้หรอกทำไมอธรรหิตมากถ้าไม่เห็นกิเลสแนละ้วมันพัฒนาไม่ได้มันเห็นแต่ตัวเองดีดีกว่าคนอื่นไม่เห็นว่าส่วนที่ช่วยยังอยู่ยังต้องต่อสู้ต้องชาระล้างยังมีอยู่ ให้พวกเราไปภาวนานะสำรวจใจตัวเองยังชั่วอะไรอยู่บ้างต้องมีถ้าไม่มีมคือพระอรหันต์พระนาคายังมีเลยส่วนที่ชั่วของพระนาคาก็เรียกว่าส่วนไม่ดีก็แล้วกันใช่ส่วนชั่วมันน่าเกลียดไประรับภูมิจิตภูมิธรรมระดับนั้นส่วนที่ไม่ดีก็ ตัวมานาตายัางอยู่ตัวความฟุ้งซ่านในธรรมะยังอยู่ความติดใจในความสงบยังอยู่การไม่รู้แจ้งในจิตของตนเองอยังมีอยู่นี่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ต้องเรียนรู้ถ้าภูมิจิตภูมิธรรมต่ำกว่านั้นลงมา ยังมีการมาราคะยังมีโทสะปฏิฆะมุดหิตอะไรเงี้ยก็ต้องเรียนรู้ถ้ต่ำลงมาอย่างพวกเราราคาโทสะโมหะของเราเพียบพร้อมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ภาวนาแล้วเห็นไหมกิเลสเราอุดมสมบูรณ์แค่อยากตัวเดียวนะ อยากวันหนึ่งตั้งกี่ร้อยครั้งกระทั่งจะปฏิบัติอย่างอยากปฏิบัติเลยหงุดหงิดวันหนึ่งมีกี่ครั้งมีเยอะแยะถ้าไม่เรียนไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะคอยเรียนคอยรู้ไปดูมันไปจนเห็นความจริงนะหลวงพ่อภาวนามาก็ด้วยวิธีนี้ครูบาอาจารย์สอนให้ดูจิตตนเอง ดูไปเราเห็นแต่กิเลส mm hmm. เห็นกิเลสแล้วบางทีก็ทําผิดต่อนะเห็นกิเลสมันผุดขึ้นมาจากกลางอกเนี่ยหลวงพ่ออยากรู้ว่าต้นต่อของมันอยู่ที่ไหนมันผุดขึ้นมาหลวงพ่อดูมันมันหดแต่ดูต้องมีศิลปะถ้าดูอย่างแรงนะมันจะขาดสะบ้านหายไปเลยนี่ดูแบบถนอมอย่างโทสะผุดขึ้นมานั้นดูแบบทนุถนอมมันค่อยๆหดหดหด เข้าไปในจิตใต้สํานึกสติเราก็ตามระลึกไปเลยสุดท้ายมันสลายตัวหายไปดูไม่เจอว่ามันต้นตอมอยู่ที่ไหนดีไปพบหลวงปู่สิมหลปู่สิมท่านเห็นหน้าท่านก็ควักมือเรียกเลยผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี้กิเลสไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกท่านรู้ว่าเรากําลังส่งจิตไปค้นคว้ากิเลสภายใน กิเลสมนอยู่ข้างนอกนี้เมื่อตามองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสใจกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดกิเลสมนก็ทำงานขึ้นมาเฝ้ารู้เฝ้าดูไปไม่ต้องไปค้นว่ามันโผล่ขึ้นมาจากตรงไหนกะว่ามันไปอยู่ใต้บาดาลเราจะตามไปใต้บาดาลเยไม่กลัวไม่กลัวพญานาคนะจะตรงไปดูกิเลสนี่อย่างนี้ทาผิดนะ ง้นที่ทําผิดมีไม่ใช่ไม่มีทำไมหลวงพ่อมาสอนพวกเราหลวงพ่อองค์อาจกล้าหาญในการสอนหลวงพ่อผิดมาเยอะแล้วไอ้ที่พวกเราผิดนี่หลวงพ่อเคยผิดมาแล้วเกือบทั้งหมดนะไอ้ที่มาถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าไม่เคยเห็นนะแทบไม่มีบางคนมาถามหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อไม่รู้หรอกไม่รู้ไม่เห็นหรอก เพราะมันไม่มีสาระที่จะตอบอย่างบางคนมาถามนะยายหนูตายแล้วไปอยู่ที่ไหนนี่เป็นคําถามที่ไร้สาระหลวงพ่อก็ตอบโธ่ตอนยายหนูเป็นๆอยู่ที่ไหนหลวงพ่อยังไม่รู้เลยยายหนูตายแล้วหลวงพ่อจะไปรู้ได้ยังไงไม่ตอบหลังเรื่องพันนี้ ถ้ามาถามเรื่องกิเลสเรื่องอะไรอย่างเงี้ยวุ้ยเก่งหลวงพ่อชำนาญเรื่องกิเลสกิเลสตัวไหนก็มีทั้งนั้นเนะ่ยค่อยๆฝึกของเราไปค่อยเรียนค่อยรู้คนทุกวันนี้นะมันชอบมีภาควิจารณ์มันเขียนง่ายอะ่ะเขียนทางอินเทอร์เนต็ตไม่แทบไม่ต้องรับผิดชอบไม่มีใครมาเอาเรื่อง วิจารโนนวิจารนี่นะว่าคนอื่นก็อย่างโน้นอย่างนี้ต้องอย่างนี้ถึงจะถูกอ้ยถ้าไปอ่านเท่านะหลวงพ่อก็เคยอ่านบางทีก็เคยอ่า น, นช่วงอยู่โรงพยาบาลนะว่างๆไม่รู้จะทำอะไรนั่งอ่านแต่ละคนนะโอ้ยเก่งทั้งนั้นเลยบ้านเมืองเราเต็ไมไปด้วยคนเก่งเต็ไมไปด้วยคนดี แต่คนอื่นนี่ชั่วหมดเลยเที่ยววิจารณ์คนอื่นต้องอย่างนี้ถึงจะถูกทําอย่างนี้ไม่ถูกมันถูกของเราอาจจะไม่ถูกของเขาหลวงพ่อเคยสมัยก่อนนะเคยโกรธคนคนหนึ่งโกรธมากเลยแล้เจอทุกวันก็โกรธทุกวันเฝ้ารู้เฝ้าดูไป วันหนึ่งนะใจมันพลิกมุมมองทำไมมันเป็นอย่างนี้มะมันเกิดถามตัวเองว่าทำไมมันเป็นคนชนิดนี้มะก็รู้เหตุรู้ผลของเขานะก็เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเราก็นึกนะว่าถ้าเราอยู่ในสถานะอย่างเขาเราก็เป็นอย่างเขาอ่ะก็หายโกรธเลยคนโบราณได้ว่าเอาใจเข า, าใส่ใจเรา ก่อนมีคนที่ทำงานด้วยกันอยู่คนนะทำงานไม่รู้จักจบทำไปเรื่อยๆทำจนกระทั่งหมดเวลางานไม่มีประโยชน์เลยแล้วไม่ทันเวลาทำไมเป็นคนอย่างนี้วะพิจารณาไปเรื่อยๆทำใจให้เป็นกลางนะนั่งสมาธิทาใจเป็นกลางๆโอ้ยเขาลำบากมาตั้งแต่เด็กเลย เขาเกิดในยุคสงครามชีวิตเนี่ยนะเต็มไปด้ยวยความกลัวกลางคืนจะได้นอนดีๆอย่างที่พวกเราเป็นเนะี่ยไม่ได้นอนคืนพอบอกมานะวิ่งลงท้องล่องสวนหมกอยู่ในสวนในครูเพื่อนดินเพื่อนคโคลนอะไรอย่างนี้นนะกลัวระเบิดลงแผ่นดินสะเทือน ใจคอไม่ปกติเลยเนี่ยผ่านประสบการณ์ที่น่ากลัวมามากเลยเป็นคนที่กลัวไปหมดเลยเวลามาทำงานกลัวงานไม่ดีกลัวไม่สมบูรณ์กลัวไปหมดมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความกลัวพอเห็นอย่างนี้นามไม่โกรธอีกละสงสารแต่มันช่วยไม่ได้กรรมไขกรรมมันเขาแก้ไม่ได้ละ เราไปปรึกษาจิตแพทย์อาจจะแก้ได้แต่เราไม่มีปัญญาไปช่วยอะไรเขาเนี่ยถ้าเราหัดใจเป็นกลางนะอย่าให้เซลล์จัดกูถูกอยู่คนเดียวคนอื่นผิดอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยบ้านเมืองเราล้วนแต่คนเก่งระดับนายกทั้งนั้นเลยออกความเห็นได้ทุกเรื่องรู้หมดเลย จะได้เป็นยังไงก็รู้อะไรอย่า น, นี้นะฮประเทศโน้นประเทศนี้อะไรรู้หมดอ่ะไม่ดูอยู่กิเลส ท, ที่กำลังมีในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากนะที่จะสังเกตคอยรู้คอยดูไปนายกคนนี้ปัญญาอ่อนนายกคนนี้อย่างโน้นอย่างนี้ไม่ถูกใจสักเรื่อง เนี่ยถ้าเป็นเราเราจะทำอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นนี่ไม่ได้เป็นหรือเป็นนักปฏิบัติคนนอั้นอย่าง น, นั้นคนนั้นอย่างนี้มีแต่เราเท่านั้นดีแบบนี้เอาดีไม่ได้หรอกสนใจคนอื่นให้น้อยหน่อยเรียนรู้ตัวเองให้มากหน่อยแล้วเราจะได้พัฒนาขึ้น วันนี้แปดมงครึ่งไฟฟ้าเขาจะดับไฟนะไม่ใช่ที่วัดดับนะเขาประกาศมานะแปดมงครึ่งจะปิดไฟเราจะไม่มีไฟฟ้าใช้นะคงได้แต่มองหน้ากันนะ <c oughs> <g ül üyor> งั้นรอบสองอาจจะไม่มีนะเว่าถ้าไฟมันดับคงไม่ได้สอนเนะพราะเสียงเสริงอะไรก็ไม่ค่อยมีเป็นบัตรที่กลับจากเมืองลาวนะ เป็นบัดยังไม่หายเลยเิญหมอเนี่ยนะหนีไปแล้วตอนนี้หมอรีไภัยไปอยู่เมืองเลยนะไม่ใช่อะไรแล้วเขาไปทุระนะยาเยอะอะไรก็ไม่รู้จะกินยาตัวไหนนะนะเชื้อรุ่นหลังๆมันเริ่มดือ้อเชื้อโรค ก, ก็ดื้อนะลูกศิษย์ก็ดือ้อนะ ทำความเหน็ดเหนื่อยให้เรามากอย่าดื้อมากนะเอาอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่รู้เวรกรรมอะไรหลวงิลูกิ์นะดื้อหลวงพ่อไม่เคยดื้อกับครูบาอาจารย์แต่ถ้าเราลึกชาติได้คงพบว่าเคยดื้อเหมือนกันนะไม่งั้นกรรมไม่ให้ผลมันเจอไอ้พวกหน้าตาฟองแบวอย่างเนี้ยทําหน้าใสใสซื่อๆทําตาซื่อๆ อ, อ, อ, อ, อุ้ยแต่ละคน น่ากลัวจะลองให้จิกดูไหม <c oughs> เป็นตัวอย่างไม่ธรรมดาล <c oughs> างคนพวกอยู่วัดเดี๋ยวส่งกันบ้านพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะวันนี้คูสอนได้รอบเดียว <c oughs> เชิญไปกินข้าว